จึงได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติซึ่งมีอยู่สามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งทานขั้นที่ 2, สองศีลขั้นที่สามภาวนาการบำเพ็ญก็ต้องทำไปเป็นขั้นเป็น ถ้าข้าขั้นข้ามตอนไปก็จะอาจจะไม่ได้ผลดังที่ปรางธนาเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มจากขั้นอนุบาลขึ้นสู่ขั้นประถมขึ้นสู่ขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาตามลำดับไปแต่การทำปฏิบัติ บำเพ็ญธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญทั้งสามขั้นนี้ก็สามารถบำเพ็ญไปพร้อมๆกันได้เพียงแต่ว่าจะต่างกันที่ความเข้มข้นความลึกความมากน้อยเท่านั้นเองเราทําทานได้เรารักษาศีลได้เราภาวนาได้ไป ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญของเราจากขั้นต่ำถ้าขั้นต่ำบำเพ็ญ น, น้อยขั้นสูงก็จะบำเพ็ญได้น้อยถ้าขั้นต่ำบำเพ็ญได้มากขั้นสูงก็จะได้บำเพ็ญได้มากอันนี้เหมือนกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนถ้ารากฐานของ ของบ้านเรือนไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากก็ไม่สามารถสร้างอาคารให้สูงได้มากแต่ถ้าฐานรากของอาคารมีกำลังที่จะรับน้ำหนักได้มากก็สามารถสร้างอาคารให้สูงได้เช่นอาคารร้อยชั้นอย่างนี้ก็ต้องมีฐานรากที่แข็งแรง ที่จะรองรับอาคารน้อยชั้นถ้าฐานรากมีกำลังเพียงห้าสิบชั้นถ้าสร้างน้อยชั้นเดี๋ยวก็ต้องมีการสุดลงมามีการล้มลงมาได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติทานสิง์ภาวนาก็เป็นเหมือนกับการสร้างอาคารสร้างเรือนใจที่เราเรียกว่าพระนิพพาน หรือสวรรค์ขั้นต่างๆเราก็ต้องขึ้นอยู่กับรากฐานของเราว่ารากฐานของการปฏิบัติของเราคือขั้นต้นนี้มากหรือน้อยถ้าเราทำทานน้อยเราก็จะรักษาศีลได้น้อยเราก็จะภาวนาได้น้อยถ้าเราทำทานมากเราก็จะรักษาศีลได้มาก ภาวานาได้มากเช่นกาลว่าญาติยมนี้ก็ทาทานไม่มากเหมือนกับผู้ที่ออกบวชผู้ที่ออกบวชนี้เขาทําทานเต็มร้อยคือเขามีอะไรทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเขาก็สละให้แก่ผู้อื่นไปหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวจึงทําให้เขา สามารถไปบวชรักษาศีล227ข้อได้สามารถมีเวลาที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับผลก็คือมากผลนิพพานขั้นต่างๆจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมานี่ก็เพราะว่ารากฐานของเรือนใจ นี่มีพลังมากมีกำลังมากคือสละได้หมดไม่หวงไม่ยึดไม่ติดกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นการเคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงแต่พอมาบวชก็สละตำแหน่งเหล่านี้ไป ตสละฐานะต่างๆไปแล้วก็มาอยู่เหมือนกับเด็กเรียนปนงมาล่นต้นใหม่มานั่งท้ายแถวทั้งๆ ท, ที่เคยเป็นผู้หลังผู้ใหญ่แต่พอมาบำเพ็ญแล้วก็ต้องสละเรื่องของอัตตาตัวตนสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มีมากมีน้อยก็ไม่เอาติดตัวมามาอยู่แบบขอทานอยู่แบบตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจกับสิ่งที่ได้เวลาไปบิณฑบาตญาติโยมจะใส่อะไรก็พอใจกับสิ่งที่ได้รับเวลามาอยู่บนศาลายาได้นับข้าวของอะไรก็ยินดีตาม ตามบุญตามบาปตามกรรม อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการทำทานเต็มร้อยไม่ยึดไม่ติดไม่หวงทรัพย์สมบัติเ้าของเงินอทองไม่ยึดไม่ติดในฐานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นผู้นำทางทางโลกจะเป็นรัทธมนตีจะเป็นนายกจะเป็น พระเจ้าแผ่นดิ น, นเวลามาบวชแล้วก็สละสิ่งเหล่านี้ไปหมดมาอยู่แบบพระอยู่แบบผู้ที่ไม่มีอะไรแต่มีศีลที่บริสุทธิ์สามารถรักษาศีลได้ถึง227ข้อด้วยกันถ้าไม่ทำทานแบบนี้ก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เต็มร้อย ถ้าทำทานเต็มร้อยก็จะรักษาศีลได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยก็จะภาวนาได้เต็มร้อยถ้าภาวนาได้เต็มร้อยมรรคผลนิพพานก็จะเต็มร้อยก็จะบรรลุขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาหารหันต์ไปตามลำดับ ถ้าไม่สามารถทำทานได้เต็มร้อยก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เต็มร้อยก็ จ, จะไม่ได้ภาวนาได้เต็มร้อยผลก็จะได้ไม่เต็มร้อยก็จะได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ขั้นชั้นต่างๆชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแต่จะเข้าสู่สวรรค์ขั้นมรรคผลนิพพานนี้ก็อาจจะยากหรืออาจจะได้ก็เพียงแต่ขั้นต้น ก็คือขั้นโสดาบันแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็จำเป็นจะต้องสละมากกว่านั้นต้องสละเพศของคารวะสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกงิ้นกายเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญศีลและภาวนาคือศีลสมาธิปัญญา ได้อย่างเต็มที่นี้เองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องพยายามทาทานให้เต็มร้อยให้ได้ทําขึ้นไปมากๆตามลำดับกันต้นก็ทาร้อยละสิบต่อไปก็ร้อยละยี่สิบร้อยสามสบตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะได้เต็มร้อยพอเต็มร้อยก็จะออกมวดได้รักษาศีลได้เต็มร้อย มีเวลาภาวนาได้เต็มร้อยดังนั้นขั้นต้นของการทำทานก็คือเราต้องเจริญให้มันมากขึ้นไปไม่ใช่เคยทำเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นหรือทำน้อยกว่า น, นั้นคำว่าน้อยนี่ก็หมายถึงว่าเคยทำร้อยละสิบก็ลดมาเหลือร้อยละห้าอย่างนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเคยทำร้อยเนาะมาทำห้าสิบบาทเพราะว่าบางทีเงินเราเหลือน้อยห้าสิบบาทนี้อาจจะเป็นร้อยละ2ี่สิบหรือร้อยละ30สิบก็ได้เราไม่ได้ดูที่ตัวเลขเราดูที่สัสดส่วนของเงินที่เราให้กับเงินที่เรามีอยู่ถ้าเรามีพันหนึ่งเราให้ห้าร้อยนี่เราก็เท่ากับทำร้อยละห้าสิบ แต่ถ้าเรามีหมื่นหนึ่งเราทำพันเดียวหนึ่งพถึงแม้จำนวนเงินจะมากกว่าห้าร้อยแต่สัด ส, ส่วนนี้มันแค่น้อยละสิบเท่านั้นดังนั้นเราต้องดูที่สัด ส, ส่วนอย่าดูที่จำนวนเงินเป็นหลักไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะหลงคิดว่าเราทำมากก็ได้เช่นคนมีร้อยล้านทำแค่แสนหนึ่งก็รู้สึกว่าทำมากแล้ว แต่คนที่มีล้านหนึ่งทําแสนหนึ่งนี้เขาทํามากกว่ามากกว่าเพราะอะไรเพราะมันสะเทอือนใจมากกว่านั่นเองคนที่มีร้อยล้านเสียไปแสนหนึ่งนี่มันไม่ค่อยรู้สึกสะเทอือนใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนที่มีล้านหนึ่งแล้วหมดไปแสนหนึ่งนี่มันสะเทอือนใจกว่าเยอะยิ่งถ้ามีสองแสนหมดไปแสนหนึ่งนี่มันยิ่งสะเทอือนใจใหญ่ ไอ้ที่สะเทือนนี่ก็คือกิเลสตัณหานี่มันไม่ได้สะเทือนอะไรกิเลสตัณหาตัวโลกตัวอยากได้มากๆตัวตนันหขี้เหนียวห่วงเงินห่วงทองไอ้ตัวนี้ตัณหาที่เราจะต้องสั่นสะเทือนมันให้มันให้มันหลุดไปจากใจของเราให้ได้นี่คือเป้าหมายของการทําทานเพื่อตัดอุปทานความยึดติดในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ยึดติดกับการใช้ใจ่ายเงินทองเพื่อซื้อความสุขที่เป็นความทุกข์มากกว่าในรูปแบบต่างๆเหมือนกับคนซื้อยาเสพติดได้ความสุขนิดเดียวแต่ต้องมาติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยาเสพติดก็จะทุกข์ทรมานใจเหมือนคนที่ซื้อลอตเตอรี่ถ้าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็จะทุกข์ทรมานใจ วันออกนี่ถ้าไม่ได้แทนหวยแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปถ้าแน่จริงวันออกลอตเตอรี่เอาเงินไปทำบุญซะอย่าไปเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้จะทำให้เราได้ทานได้กาจัดอุปทานความยึดติดในเงินทองความอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเรายังมีอุปทานมีความอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้น เราก็จะไม่สามารถที่จะออกบวชบาเพ็ญได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองถ้าเราอยากจะไปมรรคผลผนิพพานเราก็ต้องถอนสมอเรือเรือนี้ถ้าจอดอยู่เราไม่ถอนสมอเรือนี้จะวิ่งไปไหนไม่ได้จะพาเราไปที่นู่นที่นี่ไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เรือออกไปจากท่าออกจากที่จอดเราต้องถอนสมอเรือ หรือถ้าจอดอยู่กับท่าก็ต้องเอาถอนเชือกออกจากท่าถ้าผูกเชือกติดไว้กับท่าเรือก็วิ่งไปไม่ได้ฉนันใดถ้าเราอยากจะไปมรรคผลนิพพานอยากจะไปบรรลุธรรมขั้นต่า ง, างๆเราก็ต้องถอนสมอเรือถอนสมอเรือก็อุปทานความยึดติดในเงินทองความโลภอยากได้เงินทอง ความยึดติดกับการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆนั่นเอง <Yeah. S 1> ผู้มาบวชนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้รับไม่ให้ใช้เงินทองแต่ต่อมาก็มีข้อยกเว้น <Yeah. S 1> คืออนุโลมให้ฝากไว้กับคนอื่นได้ <Yeah. S 1> เผื่อเวลาต้องการ <Yeah. S 1> สิ่งที่จำเป็น <Yeah. S 1> เช่นหยูยา <Yeah. S 1> หรืออาหาร <Yeah. S 1> ถ้าขาดแคน หรือปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดแคลนก็ให้เรียกจากคนที่รับฝากเงินได้แต่ไม่ให้ถือว่าเงินที่เขาฝากนี้เป็นของตงนน่าจะใช้กับกิจที่จำเป็นจริงๆกิจที่เสริมการเจริญสมณารรมคือการปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาเพื่อมรรคผลผนิพพาน นี่คือข้อยกเว้นที่พระเจ้าได้ทรงผ่อนผันให้ในครั้งสมัยแรกๆนี้ไม่มีพระรับเงินใช้เงินกันเพราะพระทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันท่านก็ไม่มีความหิวโหวยกับความสุขที่จะได้าจากการใช้เงินซื้อเช่นซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโพธิพระต่างๆ ชื่อขนมนมเนยซื้อเครื่องดื่มหรือพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเมืองนอกเมืองนาไปอะไรต่างๆเพื่อหาความสุขจาการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัแต่ต่อมาก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธามาบวชแต่จิตใจยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่มีพลังที่จะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากขาดแคลน ก็เลยส่งอดุญาตถ้ามีการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นจีวร อ, อาหารยารักษาโรคหรือที่อยู่อาศัยถ้ามีผู้มีศรัทธาถวายให้ก็รับไว้ได้เพื่อไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นแล้วก็จะไม่ต้องการเงินทองเพราะผู้ที่ออกบวชมาก็ทิ้งเงินทองมาแล้ว เราจะกลับมาหาเงินทองให้เหนื่อยยากไปทไมมันก็เหมือนกับยูเทิร์นขับรถไปแล้วก็ยูเทิร์นขับขับกลับมาที่จุดเดิมอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถ้าเราต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องไม่ยูเทิร์นใช่ไหเราต้องขับตรงไปอย่างเดียวฉันใดเมื่อเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง สละลาบยศสละตำแหน่งอะไรต่างๆแล้วเราไม่มาสแสวงหาราบยศมาหาตำแหน่งไม่มาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนพระครูมาเป็นสมเด็จสังฆราชมาเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นอกจากเขาให้มาเองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาให้เพราะว่าเขาต้องการให้เราทำประโยชน์ อันนี้ก็รับไปตามความจำเป็นแต่โดยหลักแล้วไม่ได้มาบวชเพื่อมาสแสวงหาตงแหน่งต่างๆไม่ได้มาสแสวงหาเงินทองาลาภยศจรลเสริญไม่ได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะได้ทำทานอย่างเต็มร้อยแล้วสละหมดแล้วเคยเป็น เคยเป็นนายกกสละาำหน่งไปแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีกสละไปแล้วเราจะกลับมาเป็นเจ้าอา ว, วุธเจ้าว่าให้มันหนักไปทาไมการปฏิบัตินี้ถ้ามีมีตาแหน่งมีอะไรมันก็จะมาเป็นตัวกดดันเพราะเมื่อมีตำแหน่งมันก็มีงานที่ต้องทำของตำแหน่งแล้วเมื่อมาทำงานกับตำแหน่ง ก็ไม่มีเวลาใจไปภาวนาถ้าแม้เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องมาดูแลวัดวาอารามมาคอยบุรณะซ่อมแซงมาคอยกวาดมาคอยเช็ดมาคอยถูมาคอยดูแลรักษาให้มันเรียบร้อยก็จะไม่มีเวลาที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกันดังนั้นผู้ที่สละจริงๆแล้วจะไม่ปรารถนา จะไม่ต้องการาลาบยศสรรเสริญจะไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องการความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นคือการทาใจให้สงบแล้วทาใจให้ฉลาดเพราะถ้าใจสงบแล้วใจฉลาดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ใหก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้นี่คืองานของพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นคลรวะหรือเป็นบรรพชิตก็มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าจะไป เร็วลื้อช้าเท่านั้นเองพวกที่ยังมีความเสียดายกับลาบยศเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะไปช้าหน่อยเหมือนกับพวกที่ไม่ยอมขึ้นทางด่วนเพราะเสียดายต้องเสียเงินค่าทางด่วนเลยยอมขับไปช้าๆอยู่ใต้ทางด่วนยอมติดไฟแดงยอมติดกับรถลาต่างๆ แต่พวกที่อยากจะไปเร็วอยากจะไปถึงเร็วก็ยอมเสียค่าทางด่วนค่าทางด่วนก็คือต้องสลับเพศของคารวาดไปนี่คือค่าทางด่วนของผู้ที่จะไปสู่มรรคผลผนิพพานแ้าอยากจะไปเร็วอยากจะไปให้ถึงภายในภพนิชานี้ภายในเจ็ดวันเจเดือนเจ็ดปีก็ต้องยอมเสียค่าทางด่วน เพื่อจะได้ขับรถขึ้นทางด่วนไปก็คือต้องทำทานให้เต็มร้อยนั่นเองแต่ถ้ายังเสียดายเงินยังอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อขนมนมเนยไว้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไวซ้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆซื้อลองเท้าซื้ อ, อ, อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆที่อยากจะได้ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่สามารถทำทานได้เต็มร้อย เมื่อทำทานไม่ได้เต็มร้อยก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้เต็มร้อยเพราะจะต้องคอยหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆต้องไปทำงานทำการจึงไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้ถ้าทำอย่างนี้ก็จะเสียโอกาสอันดีไปเพราะว่านานๆนจะได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีพระวสสาศาสนาก็เหมือนกับไม่มีรถนั่นเองถ้ามีรถนี่จะเดินทางไปกรุงเทพเดี๋ยวเดียวก็ถึงถ้าไม่มีรถนี่เดินทางต้องเดินไปนี่ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นี่เราศาสนาท่านถึงเปรียบเหมือนยานท่านเรียกมหายานหินายานยานแปลว่าพาหนะที่จะพาสารโลกให้ไปถึงพระนิพพานกัน ศาสนาพุทธเราตอนหลังจากที่พระเจ้าปรินิพานไปแล้วก็แยกเป็นสองยานมหายานกับหินายานมหายานแปลว่ายานคันใหญ่หินายานนี้แปลว่ายานคันเล็กที่เขาแยกอย่างนี้เพราะว่าเกิดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปพวกที่มหายานนี้เขาคิดว่าเขาต้องพาสัตว์โลกไป ถึงพรนิพพานให้มากๆเขาเลยไม่บำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นในชาตินี้เขาต้องการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้เป็นกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถช่วยสัตว์โลกได้มากกว่าเป็นพระอาหารหันต์ส่วนผู้ที่บำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในชาตินี้ได้เป็นพระอาหารหันต์นี้ จะไม่มีบา ร, บารมีเท่ากับพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถพาสัตว์โลกให้ไปถึงพระนิพพานได้เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้มันจะต้องบาเพ็ญบารมีไปอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติด้วยกันเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่ง แล้วเขาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งด้วยกันจะต้องทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปอีกไม่รู้กี่ล้านกี่แสนชาติด้วยกันอันนี้เขาถูกกิเลสหลหอกเพราะเขาไม่พร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนา เขายังอยากจะคุกครีอยากจะสังคมกับคนนั้นคนนี้อยู่เขาก็เลยอ้างว่าจะต้องสร้างฐานบา ร, รมีไปก่อนต้องช่วยเหลือผู้อื่นไปก่อนด้วยวิธีการต่างๆไม่ยอมไปภาวนาเช่นมาสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างศาลาพายาติโยมไปเที่ยวอินเดียพายาโยมไปทอดผ้าป่าทอดกระถิน สร้างอะไรต่างๆอันนี้ละคือลักษณะของผู้ที่จะไปทางมหายาณคือจะขอบำเพ็ญทานบารมีไปก่อนยังไม่อยากจะบำเพ็ญปัญญากับอุเบกขานี่ครับอุเบกขาบารมีคือบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เขาก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้อีกงานแสนนานการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เหมือนกับการติดคุกดีๆนี่เองถ้าเขามาเสนอว่าให้คุณออกจากคุกภายในเจ็วันหรือให้คุณอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตนี้คุณจะเลือกเอาอย่างไงคุณอยู่ในคุกได้ให้คุณทำประโยชน์คุณอยากจะทำอะไรในคุกก็ให้คุณทำได้อยากจะช่วยคนนั่นคนนี้ ช่วยนักโทษคนนั้นแท้เพรนี้ก็อยู่ช่วยได้คุณจะเลือกเอาอะไรจะอยู่คุกตลอดชีวิตหรือ ว, ว่าจะออกจากคุกภายในเจ็วันอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างมหายานกับหินายานหินนยานก็คือเทรวาสสายเทรวาส น, นี้ก็อยู่ในหินายานคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นภายในชาตินี้ ตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้บำเพ็ญบารมีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งสอนให้บรรลุภายในภพนี้ชาตินี้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดังนั้นพวกที่ไปคิดถึงการบำเพ็ญบารมีเพิ่มไปเป็นพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นพวกนอกรีธนอกรอย ไม่ได้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเจริญมากที่มีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะไม่รู้ว่าท่านหลุดจากชาตินี้ไปแล้วถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานสักเท่าไหร่พระเจ้าตรึงสอนว่าให้รีบทำเสียในชาตินี้ให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเจริญสีนสมาธิปัญญาอยู่หรือเปล่าเรากำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาอยู่หรือเปล่าหรือเรามัวแต่ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์บัวแต่พาคนนั้นคนนี้ไปทอดผ้าปา่าทอดกรถินอันนี้ต้องถามตัวเองถ้าเราไม่จเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาก็แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้ทาทรงสอนให้ปฏิบัติไม่เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโน ยายาักปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแต่ไปเป็นการบำเพ็ญเพื่อเพื่อสร้างบารมีไปซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกอยางนานกว่าจะได้มาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างของของยานที่จะพาให้พวกเรา ไปสู่นักผลนิพานกันขอให้พวกเราถือตามแนวของหินนยามคือทางเถรวาดที่สอนให้เราบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นภายในภพนี้ชาตินี้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้เลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอันนี้เป็นกุศโลบายของกิเลสตัณหาที่จะไม่อยากให้เราเข้ามาปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลสตัณหา กิเลสตัณหามันจะหาเหตุหาเรื่องหาเราหลอกว่าให้เราไม่เข้ามาสู่การบำเพ็ญทานศีลภาวนาจะหลอกให้เราไปสร้างทานบารมีกันดังนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติทานศีล ภ, ภาวนานี้ให้ได้ครบเต็มร้อยภายในภพนี้ชาตินี้แล้วผลที่ พระพุทธเจ้าได้รับก็จะเป็นผลของเราในชาตินี้เลยอย่าไปเวียนว่าตายเกิดไปทุกทรมาร ก, กับความเกิดแก่เจ็บตายอีกนับแสนนับล้านครั้งอันนี้ไม่ใช่เป็นวิถีของคนฉลาดคนฉลาดเมื่อสามารถที่จะรักษาโลกให้หายภายในวันนี้ได้ทาไมจะไปเลื่อนไปเป็นปีหน้าหรืออีกสิบปีข้างหน้า อันนี้เป็นความคิดของคนโง่ตอนนี้พวกเราเป็นคนไข้กันมีความทุกข์มีโรคโรคใจก็คือความทุกข์ใจที่มีหมอมาจะรักษาให้หายภายในวันนี้แต่เรากลับปฏิเสธหมอบอกว่าขอข อ, ขอทุกขไปก่อนขอเจ็บไปก่อนอีกสักสิบปีแล้วค่อยมาว่ากันใหมอันนี้ไม่ใช่เป็นวิถีของคนฉลาดที่จะคิดอย่างนี้คนฉลาดต้องรีบรักษาโรคให้หายทันที ต้องรีบปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดภายในภพนี้ภายในชาตินี้นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราปฏิบัตินี่คือเหตุที่ทําให้พวกเรามาวัดกันในวันนี้ขอให้เราอย่าลืมเป้าหมายอันนี้อย่าลืมหน้าที่อันนี้ขอให้พยายามทําให้มากขึ้นไปตามลําดับ แล้วไม่ช้าก็แล้วงานของเราก็จะเสร็จสิ้นลงผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย